สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายธกรคนชอบเล่าวันนี้ในหมวดของเรื่องดี้ลับเรื่องดี้ลับที่ผมกำลังจะนำมาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังเป็นเรื่องลีลับที่เกี่ยวกับตัวเลขครับเป็นตัวเลขที่คนไทยอย่างเราๆส่วนใหญ่รอคอยกันทุกต้นเดือนและกลางเดือนครับถูกต้องแล้วครับหวยครับและเรื่องหวยมันจะดี้ลับยังไงก็มาลองฟังกันดูนะครับ เรื่องที่จะเล่านี้เป็นประสบการณ์ของป้าของพิปุ่นเพื่อนรุ่นพี่ผมที่เป็นคนสุรินพี่ปุ่นแกมีอาชีพเป็นคนปั่นสามล้อตอนที่ผมรู้จักกับแกประมาณปี2536แกเน่ยมีญาติคนหนึ่งชื่อป้าศีผมนั้นไม่เคยรู้จักแกหรอกแต่จําได้ว่าพิปุ่นแกเคยเล่าเรื่องความบ้าหวยของป้าแกให้ฟังแกตั้งฉายาป้าแกว่าเยสีบ้าหวยแกบอกว่าป้าศีเนี่ย ชอบจะเล่นหวยซื้อทุกงวดจนเป็นหนี้เป็นสินติดตัวมากมายเลยแต่ก็มีงวดหนึ่งนะแกถูกหวยเยอะจนสามารถใช้หนี้ใช้สินได้หมดเลยและตั้งแต่ที่แกถูกหวยงวดที่ว่านั่นน่ะแกก็แยกตัวเองไปอยู่กับทางบ้านของแฟนแกที่โคราชเลยแต่อี่งวดที่แกหมดหนี้หมดสินไปตั้งตัวได้นะ่ะมันมีเบื้องหลังจะว่าหาก็หาจะว่าหยองก็หยองมันเป็นงวดที่ทําให้ภ้าสีนะ่ะ แกถึงกับเป็นไข้ผมร่วงเป็นกระจุกกระจุกเลยตอนที่แกเล่าให้คนในบ้านฟังแต่แกก็ว่าคุ้มสุดๆแต่ก็เข็ดสุดๆเหมือนกันแหละภาษีก็เล่าให้ฟังว่าธรรมดาก่อนหวยจ้าออกก็จะมีแก๊งเพื่อนแกนแหละกับตัวแกพากันไปหาหวยตามที่ต่างๆ ต, ตามสารต่างๆ ต, ตามต้นไม้ที่เขาว่าแม่นบ้างทั้งโรยแป้งขัดถูดูน้าตาเทียนในขันน้ามน เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนที่ว <samurai> <made> ่าแม่นไม่ไกลมากนักแกก็ไปหมดก็มีถูกมีผิดบ้างตามแต่บุญแต่กรรมที่จะตีเลขกันออกมาว่าจะออกเลขอะไรต่างๆนานาจนมีงวดหนึ่งมีข่าวล่ามาไวในกลุ่มเพื่อนแกบอกว่าเฮ้ยเฮมีบ้านร้างอยู่หลังนึ่งวะเขาไ่วเฮียหน้าดูมีเสาตกน้ามันด้วยนะและแถมมีคนผูกคอตายที่บ้านนั้นด้วยนะ ตั้งตนั้นมาเลยกลายเป็นบ้านร้างมาถึงทุกวันนี้แหละอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราหรอกประมาณสิบกว่ากิโลเท่านั้นเองเขาลือกันว่าดุแต่มีคนแถวนั้นบอกว่าเคยไปเข้าฝันชาวบ้านให้ถูกหวยกันมาแล้วนะเว้ยสนใจเปล่าเพื่อนแกชวนแกตอนนั้นแกก็บอกว่าไม่มีความรู้สึกว่ากลัวผีเลยอยากจะได้เลขเด็ดมากกว่าเพราะไปมาหลายที่แล้วทั้งขุดทั้งทาทั้งอะไรก็ไม่เคยเจอผีสักที ก็ได้แต่เห็นแต่เลขก็เลยนัดกับเพื่อนเลยว่าหาตําแหน่งที่ตั้งให้แน่นอนแล้วก็หาวันเวลาออกเดินทางกันไปเลยดีกว่าและมันนัดกันออกเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นก่อนหน้าวันที่หวยจะออก5้าวันโดยมีความเห็นตรงกันว่าจะเข้าไปขอผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านนั้นขอเข้าไปนอนขอหวยสักคืนหนึง่งและแกก็เดินทางกันไปเลยและพอไปถึงก็จัดการดําเนินงานตามแผนกันเลย วันนั้นมีใายมดกับผัวมันที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถและก็ยายติ๋มกับยยมุกไปด้วยกันยยมดกับผัวก็ไปเจรจากับผู้ใหญ่บ้านตอนแรกก็คิดว่าเขาก็ไม่น่าจะอนุญาตมั้งแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าถ้าหากว่าบ้าหรือเป็นอะไรไปก็อย่าหาว่าไม่เตือนนะพูกข้าก็เลยรับปากกันและผู้ใหญ่ก็ชี้ทางบอกไปที่บ้านหลังนั้นตรงท้ายหมู่บ้าน พอพวกข้าไปเห็นบ้านเท่านั้นแหละเย่ติ๋มกับเยมุกบอกเลยกูขอเปลี่ยนใจแล้วกูขอสละสิทธิ์แล้วกันนะอย่าว่าพวกกูนะบ้านมันน่า ก, กลัวจริงๆวะ่ะนางสองคนนั้นมันกลัวก็เข้าใจอะ่ะก็บรรยากาศบ้านมันน่ากลัวจริงๆล้อมรั้วไม้เตี้ยๆเนื้อที่ก็กว้างมากมียญารกดูอึมครึมบ้านยกสูงไม่มากนักมีเตะถุนและมีบันไดขึ้นไปด้วยขนาดยังไม่มืด ยังดูน่ากลัวเลยมันดูวังเวงเพราะว่ามันตั้งอยู่ห่างจากบ้านอื่นก็พอสมควรพอจอดรถเสร็จก็เอาดอกไม้ทูบไหว้เจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตเอาแกงกับขนมหวานไปด้วยไปตั้งเส้นแต่ว่ากว่าจะจุดทูบได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเลยจุดไฟแช็คเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับล้มก็ไม่มีแท้แท้แต่สุดท้ายก็ติดเรียบร้อยเขา้เขาสำรวจบ้านกันเลย ก็ขึ้นไปบนบ้านกับยายมดและผัวมันเจ้าติ๋มกับจมุกก็รออยู่ในรถพาอเปิดประตูเข้าไปก็สัมผัสกับบรรยากาศภายในยิ่งวังเวงดูหดหูพิกลเข้าไปก็เป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องหนึ่งซ้ายมือก็มีห้องนอนอีกห้องหนึ่งและเสากลางบ้านก็ตกน้ำมันจริงๆด้วยก็เดินเข้าไปดูในห้องนอนกันก็เห็นมีที่นอนโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ใกล้ๆกับหน้าต่างอับมาก คงเป็นเพราะปิดหน้าต่างเอาไว้ก็เลยมองหน้ากันมองทําเลกันว่าคืนนี้จะนอนกันตรงไหนดีก็จะนอนกันในห้องนอนกันเลยดีกว่าเพราะเราอยู่กัน3มคนสรุปก็เรียบร้อยก็เลยเดินกันลงมาไปหาซื้อของมานั่งกินรอเวลากันที่รถให้มืดสักหน่อยก็จะได้เข้าไปในบ้านกันตอนแรกก็ตกลงกันว่ามีข่าไอ้มดและผัวมันก็จะเข้าไปนอนด้วยกัน เผือใครฝันได้ยังไงก็แล้วแต่โชคจะรลาภของมันแต่สรุปนั่งรอกันไปนั่งรอเวลาคุยกันไปจนฟ้ามืดก็มีแต่ข้าคนเดียวที่เข้าไปเพราะว่าไอ้พวกนั้นเป็นกลัวกันหมดมันบอกว่าจะรออยู่ที่รถกันตอนแรกข้าก็โมโหวพวกมันมากเลยแต่ทำไงได้ไปถึงที่แล้วนี่คือ น, นั้นประมาณสองทุ่มข้าก็เข้าไปในบ้านหลังนั้นคนเดียวมีไฟฉายและก็ทีนอีกสองเล่มที่ไม่ได้จุด หอแล้วก็เสือ้อเดินเข้าไปหันมามองพวกมันที่จอดรถรอยอยู่นอกรั้วบ้านไกลไกลตอนนั้นใจก็เริ่มวิววิวแล้วแหละแต่ก็สงบใจไว้เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าจะวิ่งกลัมาหาพวกมันได้ทันแหละพอเดินเข้าไปในรัว้วพวกนั้นก็ยังเชียร์กันเยงเยงเลยบอกว่าเพื่อเลขเด็ดเพื่อเลขเด็ดเราไหว้แล้ ว, ว, ลวไม่มีอะไรหรอกแต่พวกมันไม่ยากจะเข้ามาพอถึงตัวบ้านก็เอาไฟฉายส่งก้าวขึ้นบันไดไปเลย รู้สึกหนาวสันหลังพี่กลแต่ก็ยังได้ยินเสียงพวกมันคุยกันอยู่ไกลๆนอกรัวบ้านก็พอได้อุ่นใจพอเปิดประตูเข้าไปตอนแรกว่าจะเข้าไปนอนในห้องนอนตอนกลางวันที่คิดไว้แต่ไม่กล้าแล้วดิก็เลยคิดว่าจะนอนตรงห้องใหญ่นี่แหละติดกับประตูด้านในนี่แหละเปิดประตูไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ออกมาทันข้าก็เลยปูเสื่อนอ น, อนกใกล้ๆประตูเลยจากด้านใน ก็กราบหมอนยกมือไหว้ขออนุ ญ, ญาตขอโชคขอลาบอีกครั้งจุดเทียนตั้งไว้พอให้มีแสงหน่อยและก็นอนลงเลยนอนฟังพวกนั้นมันคุยอยู่ไกลไกลนอกรั้วบ้านแววๆวๆแต่ฟังไปก็ไม่ได้สราบอะไรหรอกแต่ก็รู้สึกอุ่นใจดีเพราะว่ายังมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆฟังไปฟังมาจนเสียงมันเริ่มเงียบเงียบหรืออาจจะเป็นพวกง่วงก็ไม่รู้นะก็เลยเผลอหลับไปแล้วาก็ฝันว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินวนเวียนอยู่ในบ้านร้องไห้ฟูมไฟล์ป่าก็บ่นว่าคิดว่าไม่กล้าเหรอคิดว่าไม่กล้าใช่ไหมจะตายให้ดูเสียงเต็มรูหูข้าเลยแล้วเธอก็เดินขึ้นไปในห้องนอนลากเก้ า, าอี้โต๊ะเครื่องแป้งออกมาตรงประตูห้องนอนเหยียบขึ้นไปแล้วเธอก็เอาเชือกะร้อยกับขอบประตูด้านบนร้องไห้แล้วก็ผูกคอตัวเอง แลเธอก็ถีบก็อีล้มหนังตึงเธอดิ้นไปดิ้นมาแขว่งไปแขว่งมาตาก็ค่อยๆโผนขึ้นโตขึ้นจนลิ้นค่อยๆจุกปากออกมาข้ามองเห็นตลอดเลยในฝันน่ะแต่เหมือนว่าข้าทําอะไรไม่ได้เลยเธอก็ค่อยๆดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นจนค่อยๆดิ่งไปก่อนจะนิ่งขาอยังชัดกระตุกกึกตุกแล้วร่างที่ห้อยในฝันมันก็หันหน้ามามองทางข้า ข้าตกใจมากเลยแต่ในฝันทําอะไรไม่ได้ก็เลยแต่มองแล้วหน้าผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆ อ, อ, อืดอืดเหมือนจะเริ่มเน่าเร็วมากลิ้ก็ค่อยๆ ย, ย, ยาวค่อยลงมาค่อยลงมาจนเลยคางแล้วเสียงดนึ่งก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงที่เย็นมากเลยในฝันนะกลัวไหมกลัวไหมข้าได้ยินแค่นั้นข้าก็ตกใจตื่นเลยหันไ้มองเทียนเทียนก็หมดแล้ว รู้สึกหนาวมากเลยตอนนั้นตัวก็ชาขอก็แข็งๆพิกนแงไปมองทางประตูเฮ้ยข้าตกใจมากเลยตอนนั้นประตูมันปิดตอนแรกข้าก็เปิดเอาไว้นี่าะก็ไม่ได้ปิดแล้วก็รู้เลยทันทีว่าตอนนี้กำลังจะเจออะไรเนี่ยข้าก็จะรีบลุกขึ้นจะลงบ้านเลยแต่มันขยับตัวไม่ได้ข้าได้แต่นอนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นน้ำตาลก็ไหลออกมาเองเลยวะไม่รู้จะทำยังไง แล้วก็มีเสียงเดินดรอบๆเสือที่ข้างนอนอยู่แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะเสียงมันเดินช้าๆตึกตึบตึบตึบโอ้ยรู้สึกเหมือนเดินไปวนมาเสียงหัวเราะเย็นๆก็ไม่รู้ดังมาจากไหนแต่มันเบาๆนะคารมพันธุ์ไม่คถูกหลอกเสียงมันหลอนมากมันดังประมาณแบบ คิดดูแล้วกันเสียงขนาดเนี้ยเวลานั้นน่ะเจอเข้าจะเป็นยังไงและความรู้สึกข่าตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าอยากจะบ้าเลยตอนนั้นจะตะโกนก็ไม่ได้ได้แต่นอนเท่านั้นเสียงหัวเราะก็ดังไม่ยอมหยุดและสักพักข่าก็รู้สึกว่ามีอะไรมาโดนตรงหน้าผากมันปีกเปียกเนืน้แฉะก็เลยเหลือกตาขึ้นไปดูโอ้โหเท่านั้นแหละจะเป็นลมไม่ได้รู้ไหมว่าภาพที่เห็นมันคือไง มันคือเงาคนมานั่งจ ย, ยองตรงหัวของข้าแต่ไม่เห็นหน้านะกําลังแลบดิ้นเลียลงมาตรงหน้าผากของข้าเนี่ยช้าๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เสียงหัวเราะ ก, ก็ยังอยู่แล้วก็มีเสียงเงยงเง็ยนๆแว่วไปอีกน่ากลัวมากเสียงนี้เย็นมากเลยกลับรดทำบุญด้วยกลับลดรำบุญให้ด้วยข้าได้แต่หลับตาปีน้าตาไหลไม่หยุด ตอนนั้นได้แต่รับปากอยู่ในลำคออืออืออืออือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้เลยมันยิ่งกว่าในหนังผีที่ข้าเคยดูซะอีกและเสียงประตูก็ดังปังข้ า, า ล, ลืมตาขึ้นมาดูทุกอย่างมันหายไปหมดเลยแล้วข้าก็รู้สึกอุ่นที่ก้นของข้าเปียกๆอ้ยตอนนั้นข้าเยี่ยวแตกเลยก็เลยไม่ต้องเก็บข้าวเก็บของเก็บเสือเก็บหมอนล้ข้าหยิบไฟใช้ได้ก็รีบวิ่งกระโดดลงมาจากบ้านเลย อยากจะร้องก็ร้องไม่ออกมันพูดไม่ออกมันจุก อ, อกยังไงไม่รู้เขาก็รีบวิ่งไปที่รถพอไปถึงที่รถก็ถูกประจกพวกมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นข่าก็ตกใจถามว่าเป็นไรเป็นไรเป็นไรข่าก็พูดไม่ออกก็ได้แต่ชี้มาชี้มือชี้ให้มันออกรถกลับบ้านไปเร็วๆเนี่ยพวกมันหัวไวมากตอนนั้นรีบสตาร์ทเครื่องรถรีบพากันขับออกมาจากตรงนั้นเลยแล้วก็ขับกลับบ้านกันเลยระหว่างทางมันก็ถามข่าใหญ่เลยว่า เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยแต่ให้ตายเถอะข้าพูดไม่ออกจริงๆจนถึงบ้านก็เลยแยกย้ายกันไปข้าก็เข้าบ้านนอนเลยตอนนั้นไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามนล่วแหละแต่คิดว่าน่าจะใกล้เช้าด้วยแหละพอตื่นเช้าใหมา่อีกวันข้าก็เป็นไข้เลยต้องไปวัดไปรดน้ำมนต์กลับมานอนกินยาอยู่บ้านผมก็ร่วงด้วยดีร่วงเป็นยอ ม, ยอมเลย มันร่วงมากกระตรงหน้าผาข้าที่โดนเลียนะ่ะพวกที่ไปด้วยกันถามว่าเจออะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างนะแต่แปลกพอจะพูดถึงเรื่องนี้ทีไรมันจุก อ, อกอะ่ะมันพูดไม่ออกเลยจนถึงวันที่หวยออกข้าก็เลยซื้อหวยตามความกับใจของข้าเองแหละก็มีคนซื้อตามบ้างงวด น, นั้นข้าซื้อเยอะเลยข้าคิดว่ามันน่าจะเป็นทุกขลาภพอหวยออกข้าก็ถูกหวยได้เงินปเป็นแสนเลยจริงๆ บมดนี้หมดสินแล้วข้าก็ไปทําบุญถวายสังฆทานทําให้เขาที่บ้านหลังนั้นน่ะข้าถือว่าเขาให้โชคข้าข้าเลยต้องทําบุญให้เขาเหมือนกันที่เคยรับปากเขาอืออือคืนนั้นน่ะแล้วอยากรู้ไหมละ่ะว่าข้าซื้อหวยเลขอะไรถึงได้ถูกพี่ปุ่นแกก็เลยถามว่าแล้วเลขอะไรล่ะป้าที่ฟังมากม็เห็นว่าเขาจะบอกอะไรเลยก็มีแต่หลอกให้กลัวอย่างเดียวไม่ใช่เหรอภาษีก็บอกพี่ปุ่นว่า ก็ขามได้ผีบอกข้าว่ากลับรถทําบุญให้ด้วยไงมันรังอยู่ในหัวข้าตลอดจนถึงวันที่ซื้อหวยนี่แหละก็เลยซื้อเลขทะเบียนรถผัวไอ้มดมันซะเลยขันที่ขับไปนี่แหละกลับไปกลับมาก็เลยถูกดีแหละได้เงินมาเป็นแสนเนี่ยถ้าถามว่าคุ้มไหมคุ้มโคตรจะคุ้มเลยแต่ข้าไม่เอาอีกแล้วเพราะกลัวว่าจะบ้าตายก่อนที่จะรวย พี่ปุ่นก็เลยมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงถึงชีวิตของป้าในตอนนั้นแต่แกก็บอกว่าได้ข่าวว่าป้าแกก็ไม่เลิกเล่นหวยหรอกนะแต่ก็ไม่บ้าเล่นแบบสมัยก่อนไปอยู่ที่โคราชก็ได้ยินข่าวว่าก็มีฐานะดีขึ้นเป็นหลักเป็นฐานดีขึ้นและนี่แหละครับเป็นเรื่องราวของป้าของพี่ปุ่นที่พี่ปุ่นได้ถ่ายทอดให้ผมฟังและผมก็นํามาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังผมฟังจากพี่ปุ่นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันคุ้มหรือเปล่าเนี่ย เพาถ้าเป็นผมเนี่ยสงสัยคงจะบ้าไปก่อนแล้วครับเลขเลขิกคมไปคิดไม่ออกครับว่าจะซื้ออะไรแสดงว่าป้าพี่ปุ่นแกเป็นคนที่จิตแข็งมากๆแต่ขนาดจิตแข็งนะครับที่ฟังมาผมร่วงเป็นไข้ขนาดนั้นยังไงก็ไม่เอาเดูคนหรอครับและประสบการณ์เรื่องลี้ลับของป้าพี่ปุ่นก็จบลงนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความบันเทิงแต่พฤติกรรมนี้แนะนําว่าไม่ควรอเอาไปเรียนแบบนะครับ เพราะว่าอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้ครับถ้าไม่ใช่กับวิญญาณหรือผีก็อาจจะเกิดจากพวกมิจฉาชีพที่มักจะไปมั่วสุมอยู่แถวบ้านร้างอะไรอย่างนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อเตือนใจกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ